ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่แฉมพีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบเก้าคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบสี่โปรดประทานอาหารประจําวันพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนให้เราอาธิษฐานในคําอธิษฐานตอนนี้ว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงศงหลายในการวันนี้เมื่อเราอาธิษฐานคําอธิษฐานนี้ ทำให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานนี้นั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือฟิสิกสของเราครับคำว่าอาหารเป็นสิ่งที่แสดงให้เราเห็นถึงความเรียบง่ายของคำอธิษฐานนี้แต่อดแท้ความหมายอันลึกซึ้งที่เรากำลังจะศึกษาในวันนี้หลังจากที่เรามุ่งดูเกี่ยวกับคำอธิษฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจะเห็นว่าคำอธิษฐานในช่วงแรกนั้นเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเกี่ยวข้องกับพระนาม เกี่ยวข้องกับพลักษณะของพระองค์เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระองค์ที่จะมาตั้งอยู่ในโลกนี้และเกี่ยวข้องกับการแสวงหาหนามัตยของพระองค์และให้หนามัตยของพระองค์สาเร็จสําเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับตอนนี้เรากําลังศึกษาเกี่ยวกับพวกเราแล้วละครับแต่เดิมสามข้อแรกนะครับเราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับ เรากําลังศึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้เชื่อก็คือคริสเตียนเราผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าและเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราครับก็คือขอให้พระเจ้านั้นได้ทรงให้เราทั้งหลายมีกินอิ่มนะครับกินอิ่มนอนอุ่นนะครับและทําให้ชีวิตของเราในร้างร่างกายนั้นได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียงครับในขณะเดียวกัน ก็จะต้องก้าวไปอีกระดับหนึ่งก็คือการรับการให้อภัยโทษหรือการยกโทษให้กับคนอื่นอันนั้นคือระดับจิตใจครับและในที่สุดก็เกี่ยวข้องกับกจิตวิญญาณครับก็คือคำอธิษฐานสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมอาหารสำหรับคาโรงนั้นผมกำลังบอกว่า พวกเราไม่ค่อยเครียดมากเกี่ยวกับคําอธิษฐานนี้ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเกือบจะทุกคนครับกินดีอยู่ดีทั้งสิ้นจริงๆแล้วเราควรจะลดอาหารลดน้ําหนักลดมื้อของการกินเสียมากกว่าด้วยซ้ําแต่ครับพี่น้องครับเพื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานอาหารประจําวันนะครับในทางกลับกันครับ ก็เป็นคำอธิษฐานคล้ายคลึงว่าขอพระเจ้าทรงป้องกันอย่าให้ข้าพระองค์กินอาหารมากจนเกินควรขอทรงสอนให้ข้าพระองค์นั้นมีวินัยต่อตัวเองในเรื่องของการกินการอยู่การใช้ชีวิตและข้าพระองค์ไม่เพียงแต่มีอาหารเพียงพอสำหรับตัวเองเท่านั้นก็ขอให้มีเพียงพอสำหรับคนอื่นๆด้วยนั่นคือปัจจัยสี่ครับเรากาลังขอนะครับอาหาร บ้านนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับและอะไรครับยารักษาโรคนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของสุขภาพร่างกายพี่น้องครับนี่คือปัจจัยสี่ปัจจัยที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อเราอิฐรนทุนขออาหารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวแล้วครับเพราะอะไรครับ หลายๆครั้งเราคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวยังไงก็ตามเรามีอาหารกินแน่แต่เมื่อเราคิดถึงเด็กๆที่อยู่ที่ประเทศเอธิโอเปียนะครับอยู่ที่ปากีสถานหรือบางปลาเทศนะครับเด็กๆ เ, เหล่านี้เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ยากจนครับเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานของเราจึงเป็นคําอธิษฐานเผื่อสาหรับเด็กๆ เ, เหล่านี้ด้วยหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ยังอดอยากอยู่ ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ของกินแต่ก็กินไม่ได้พี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่เราจะต้องเข้าใจเขาและอธิษฐานเผื่อเขาพระเจ้าทรงให้พระนามของพระองค์จะเป็นที่เขารบสักการะได้นั้นและพระเจ้าจะทรงนําให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ได้นั้นพระเจ้าจะทรงให้น้ําพระทัยของพระองค์มาสําเร็จในโลกนี้ได้นั้นก็โดยการ ประทานอาหารประจําวันให้กับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ทุกคนก็โดยการยกบาปผิดของเราทั้งหลายทุกคนและโดยการนําเราทั้งหลายทุกคนให้เข้าสู่ความรักของพระเจ้าและพระเมตตาของพระองค์พี่น้องครับเมื่อเราเอธิษฐานอย่างนี้นะครับเรากําลังนําเอาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของมวลมนุษ ย, ยชาติเรากําลังเอานำเอาพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเรา ซึ่งไม่เหมือนกับครึ่งแรกนะครับตอนนี้เราอธิษฐานอยู่ในครึ่งหลังครับครึ่งแรกมีแต่การยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับครึ่งหลังนี้เรากําลังทูลขอสิ่งที่เราต้องการเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาความจําเป็นความต้องการของเราแต่ก็แค่เพียงพอนะครับเหมือนกับที่ชาวอิสราเอลนั้นพระเจ้าได้อนุญาตให้เขาเก็บมานาในถิ่นทุรกันดาลเก็บวัน และหนึ่งโอเมอร์นะครับคล้ายๆกับเป็นหนึ่งปีบนะครับก็กินไปวันศุกร์เก็บสองปีบครับเพื่อที่วันเสาร์วันสบาทโตนั้นเขาจะได้ไม่ต้องเก็บเพื่อครับนี่คือความพอเพียงครับเมื่อเราให้ฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันกับเราวันนี้นะครับ หมายความว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากการรับประทานอาหารของข้าพงษ์หลายประจำวันขอทรงรับการถวายเกียรติจากการประทานรับประทานอาหารประจำวันของข้าพงศ์หลายแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากการยกบาปผิดของข้าพงษ์หลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับการถวายเกียรติจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำชีวิตของข้าพงษ์หลาย เรื่อยมาจนทั่งถึงทุกวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอสำแดงให้โลกเห็นว่าแผ่นดินของพรงษ์จะมาตั้งอยู่ในขณะเดียวกันขอรับการถวายเกียรติจากการกินของข้าพงษ์ทั้งหลายเพื่อนครับเราจะสังเกตนะครับว่าคําอธิษฐานทุกๆคานั้นไม่มีการกันพระเจ้าออกไปเลยครับแต่มีพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอครับเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานนั้นมุ่งเน้นเอาพระเจ้าเป็นใหญ่ มิใช่มนุษย์เป็นใหญ่เช่นเดียวกันกับคําอัญเชานตอนนี้ก็คือว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันผู้ประทานคือองค์พระผู้เป็นเจ้ามันไม่ได้มาเองนะครับแต่อาหารเหล่านั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ให้กับเราในแต่ละวันถ้าพระเจ้าไม่ให้ฝนตกเราไม่มีข้าวกินครับถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้าอยู่เหนือนคร คนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าครับพี่น้องครับถ้าเรามีคำอธิษฐานที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะทรงฟังคำเราแน่นอนอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันครับคำอธิษฐานนี้มีคำทูลขอสารการที่เปิดโอกาสให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติในพระองค์เองนะครับคำอธิษฐานนี้ กล่าวถึงชีวิตฝ่ายร่างกายของเราครับอธิษฐานเพื่อชีวิตฝ่ายร่างกายของเราเพราะเนื่องจากอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมสำหรับชีวิตปัจจุบันในโลกนี้ในขณะที่อีกสองคำอธิษฐานนั้นก็เกี่ยวข้องกับชีวิตแต่เป็นด้านของจิตใจครับขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรง เหมือนข่าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข่าพระองค์นั้นเป็นการกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตใจครับและคําขอสุดท้ายก็คือขออย่านําข่าพระองค์เข้ามาในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนั่นหมายความว่าเป็นการกล่าวถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับพี่น้องครับขอพูดครัคคร้งนะครับว่าอาหารนั้นเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสําหรับชีวิตในปัจจุบันนี้ ในขณะที่การยกโทษบาปนั้นเป็นการดูแลอดีตครับและการทูลขอการทรงนำที่จะไม่ให้เข้าไปการทดลองนั้นเป็นการดูแลชีวิตในอนาคตของเราเพราะฉะนั้นครับเราจําเป็นต้องระลึกอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่เราทูลขอในคําอนิษฐานตามอย่างของพระเยซูนั้นแม้ว่าจะกล่าวถึงความต้องการของเราก็ตามทีเถอะแต่ก็เป็นหนทางที่พระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้า จะได้รับการถวายจากเราครับถหากว่าเรากินเป็นนะครับอยู่เป็นก็เราจะเป็นผู้ที่พระเจ้าอวยพรพรและเราจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ากินอยู่นะครับให้เป็นเพื่อที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับแม้ว่าคําอธิษฐานนี้จะไม่มีคําว่าพระสิริของพระเจ้า แต่คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานเพื่อถวายเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้าที่น้องครับขอให้ชีวิตของเรานะครับจะไม่ต้องาอาศัยอะไรที่จะบํารุงบําเรอตันหาของเนื้อหนังในคําอธิษฐานนี้ทําให้เราทั้งหลายที่จะพอเพียงในเรื่องของเนื้อหนังครับและเมื่อเราพอเพียงในเรื่องของเนื้อหนังเราก็จะให้ความสําคัญด้านจิตใจเร็วขึ้น เมื่อเรามีความต้องการฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายร่างกายนะครับเรามีความรู้สึกพอเพียงเร็วขึ้นเราก็จะมีการก้าวกระโดดต่อไปในขั้นต่อไปก็คือจิตใจและเราในที่สุดนั้นจะไปถึงระดับของจิตวิญญาณอันนี้จะสอดคล้องกับไฮเออราคีนิตของมัสโ low นะครับก็คือความจำเป็นต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนในทฤษฎีของมัสโ w พี่น้องครับการรู้จักพอเพียงเป็นเหตุที่ทำให้เราจะพบพระเจ้าได้เร็วยิ่งขึ้นการรู้จักพอเพียงในด้านสุขภาพร่างกายในด้านเนื้อหนังนั้น <S <S <S ก็จะทำให้เรานั้นได้ปฏิเสธตัวเองและยอมรับพระเจ้ามาก เ, เร็วขึ้นนี่คือเคล็ดลับของคนที่ยากจนนะครับเขาจะพบพระเจ้าเร็วกว่าคนที่ร่ารวยนะครับคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ ก็ยากยิ่งหนักเพราะเหตุที่ว่าคนมั่งมีนั้นเขายังไม่รู้จักพอครับเ้ายังหาของเขาไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าสงสารนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักพอขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่รู้จักพอรู้จักคำว่าเพียงพอเสมอเพราะพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียม เยโฮวายีเรให้กับเรานะครับยังเพียงพอเสมออาเมน